มิลินทปัญหาของกรมเสือปากรมิลินทปัญหาเมนเดกะปัญหาปฐมวัคสีวิรัญโยจักขุธานะปัญหาที่ห้าถามว่าที่ตรัสไว้ว่าคนตามืดหาจาักสุประสาส์ไม่ได้ไม่ได้ทิพจักสุ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 อามะพันเตเออพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์ที่เขามีความสัตว์นั้นตั้งสัจจาธิษฐานเป็นอันมั่นแล้วบรรดาฝนไม่ตกก็อธิษฐานให้ฝนนั้นตกลงได้บรรดาเพลิงจะไหม้แล้วก็ตั้งสัจจาธิษฐานให้เพลิงดับไปถึงมาดว่าต้องพิษจะให้ชีวิตบรรลัยตั้งอธิษฐานแล้วก็หาพิษมิได้น้าที่เคยไหลลงไป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 ทั้งนี้เป็นไปด้วยสัจาวาทีขอถวายพระพรบพิษผู้เป็นมหิตสราธิบดีพระเจ้าศีวิราชนี้ก็ได้ทิพจกักขุด้วยสัจจาทิฏฐานเหมือนกันอันหนึ่งดูกระบาพิษพระราชสมภารพระโยคาวจรที่ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ประการคือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธรสัจมรคสัจ สัจจะสี่ประการนี้จะได้รู้ด้วยพิธีธรรมอันอื่นนั้นหาไม่ได้อาศัยพิจารณาเห็นเป็นสัตว์จริงแท้ไม่ได้ผันแปรกลับกลายเหมือนหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายมีแต่เกิดมาแล้วตายตายแล้วเกิดเวียนอยู่ชะนี้ก็มีเที่ยงแท้ท่านผู้วิเศษเห็นแท้ไม่ประมาทลืมตนเลยเป็นสัตว์จังจริงชะนี้ท่านจึงได้สำเร็จแก่พระจตุราริยสัต์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 เสด็จสังวาดครอบครองจินะประเทศสมุทเทกีริตุกาโมมีน้ำพระทัยปรารถนาจะใคร่เล่นน้ำในมหาสมุทรให้สำราญจึงกระทำสัจจาทิฏฐานอยู่ประมาณสี่เดือนมิได้เคลื่อนคลายแล้วสมเด็จพระเจ้าจินราชก็เสด็จทรงพระมหาพิชัยราชรถมณีอันเทียมด้วยศิลทพพาชีทั้งสี่สมเด็จพระเจ้าจินราจอมธรณี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 จกหักเอาด้วยริดโดยปกติมิอาจจะข้ามได้มิอาจจะเดินเที่ยวไปในมหาสมุทรได้หรือว่าจะข้ามได้เล่าพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข่าแต่พระน้าเกษณผู้ปรีชามนุษย์ทั้งหลายถ้าจะว่าโดยปกตินี้แต่สะอันใหญ่ก็มิอาจเดินหลีกน้าได้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 ขอให้พระมาหากษัตริย์เห็นประจักษ์แก่พระเนตรในครั้งนี้ขอให้วารีที่ไหลามานี้จงไหลกลับไปให้เห็นประจักษ์ในครั้งนี้เมื่อนางนาครโสมพินีตั้งสัจจาทิฏฐานแล้วคงคาก็บรรดาลไหลกลับไปสิน้นด้วยอำนาจสัจจวาทีนั้นอะทกโขในลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้าธรรมาโสกราชทอดพระเนตรเห็นคงคาไหลกลับไป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 ทรงฟังก็ประหาดพทัทัยจึงมีพระราชาองค์การให้หาหญิงนครโสพินีมาที่หน้าฉานมีพระราชาองค์การตรัสถามชนิดว่าโพตีดูกะระเจ้าพูดเจริญเจ้ากระทําสัจจะกริยาหรือคงคาจึงไหลกลับไปนางนาครโสพินีรับพระราชาองค์การว่าพระพุทธเจ้าข้าคงคานั้น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 พระนาคเสนนาเอาเรื่องราวนางนครโสมพิณีมาวิสัชนาถวายสมเด็จพระเจ้ามิลินสิ้นใจความเท่านี้แล้วจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารอันบุคคลมีสัจจาธิษฐานแล้วก็บรนดาลให้สําเร็จความปรารถนาดุดในยะที่อาตมาถวายวิสัชนามาเป็นตัวอย่างช่นนี้ซึ่งว่า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 มิอาจจะได้ทิพจักคุนั้นประสงค์เอาทิพจักคุที่ได้ด้วยภาวะปัญญาขอบอพิจงรู้วัตถุทั้งสองนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชหฤทัยโสมนาตรัสสรรเสริญพระหน้าเกษณ์ผู้วิเศษดุดเหตุที่วิสัชนามาแต่หนหลังนั้นสีวิรั ญ, ญโยจกักขุทานะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้